มองของฟ้ามืดมัวทั่วแดนสวงจิตใจลอยคอยหัวห่วงยหย่ลมหนาวควรแอมหนวนหนาวเย็นใจพองมันไวเต้นผิงไปมองสายน้ำที่ริงสมาจาชุดกาดวงมื่นไทย มันวิ่ เรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจาที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักสวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักโดยโชลิตอนุนทัศน์หรือว่าตุยอะลรนะฮะก็ครั้งนี้ก็น่าจะคุณเคยกันมากขึ้นแล้วเพราะาเราพบกันน่าจะห้าครั้งหกครั้งครับแล้วนะฮะวันนี้ก็ กลับ ม, มาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวดีๆในอดีตที่ยังเป็นความทรงจําที่น่าพึงรักใจอยู่สําหรับคนรุ่นก่อนและคนยุคปัจจุบันนะฮะครับไม่รู้วันนี้แต่ละคนทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดกําลังอยู่ที่บ้านก็น่าจะมีความสุขกับรายการที่ผมกําลังจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะครับ ครับเมื่อสักวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมได้พูดค้างไว้ถึงร้านรวงต่างๆที่น่าสนใจในย่านของบุตรพาพิลมนะฮะตอนอเทปที่แล้วเนะี่ยผมพูดค้างไว้ถึงห้างไนทิงเกลนะฮะปราห้างสัพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่มีเรื่องราวมีความทรงจำดีๆอยู่ในห้างนั้นอย่างเต็มเปี่ยมนะฮะครับทีนี้เราออกจากห้าง h น i ิงเก e กันสักนิดหนึ่งแล้วเดินข้ามกลับมายัางวิทยาลัย ศิลปะที่มีชื่อเสียงยาวนานของประเทศไทยแห่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ถนนตรีเพชรซึ่งสถาบันแห่งนี้นะครับเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่ามีอายุ เ, เกินกว่าร้อ100ปีเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สร้างศิลปินสร้างผลงานดีๆประดับปงการศิลปะของเมืองไทยไว้มากมายทีเดียวนะครับที่เนี่ยผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณ สุเทพวงคำแหงคุณโนต้ตอุดมหรือว่าอาจารย์ทางศิลปะหลายๆท่านที่เรารู้จักกันดีก็จบจากสถาบันนี้กันแ้นรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะก็จบจากแผนกศิลปะภาพถ่ายสถาบันนี้เช่นเดียวกันนะครับฮะก็ถ้าเกิด เ, เดินมาถึงวิทยาลัยพ่ช่างแล้วเนี่ยขยับไปนิดนึงเราก็จะถึงตลาดประคองตลาดที่ มีทั้งดอกไม้สดดอกไม้แห้งต่างๆเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่เนี้ยเขาเน้นขายดอกไม้สดเป็นหลักก็ตลาดดอกไม้ของปากขอตลาดเนี้ยเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ติดอันดับ4ของโลกด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับสําหรับประเทศไทยก็หลายๆคนที่ชอบดอกไม้ชอบพืชพันธุ์ต่างๆเนี้ยจะต้องมาหาซื้อ ดอกไม้ชนิดแปลกๆกันที่นี่เพราะว่ามีให้เลือกมากมายหลายพันแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเรียกได้ว่าใครที่ เ, เป็นคนชอบความสวยความหอมของดอกไม้จะต้องรู้จักตลาดแห่งนี้เป็นอย่างดีนะครับฮะถ้าเกิดเดินมาจากตลาดดอกไม้ประคองตลาดแล้วเนี่ยขยับไปนิดนึงก็จะเจอ ร้านออนล็อกหยุ่นอันเนี้ยเราต้องเดินกลับมาทางที่จะไปโรงหนังเฉลิมกรุงนะครับเพราะว่าร้านออลล็อกยุ่นเนี้ยเป็นร้านกาแฟร้านขนมปังใช่กรอบเป็นร้านอาหารเช้าที่คนรุ่นเก่ารุ่นโ บ, บราณเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลานัดสังสรรค์ทานกาแฟทานาาเช้าเนี่ย ก็จะต้องมานั่งทานกันที่ร้านนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีร้านคาเฟ่ไม่มีร้านกาแฟเก๋ๆในยุค ป, ปัจจุบันนะครับแต่คิดดูสิครับว่าทาั้งๆที่ยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยมีร้านกาแฟมีร้านทานอ่านว่างที่แทรกตัวอยู่ตามห้างสรรพสินค้าที่ไปมาสะดวกหรือว่ามีความทันสมัยมากมาย หลายๆที่แล้วเนี่ยแต่ว่าร้านอลล็อกอยู่ในกลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย เ, เด็กรุ่นหลังหรือว่าคนรุ่นหลังเนี่ยไปทานอ า, อาหารไปทานกาแฟกันที่ร้านนี้แล้วก็มีการแชร์มีการบอกกล่าวกันจนกลายเป็นเทรนที่คนรุ่นหลั ง, ลงจะต้องมาถ่ายรูปลงโซเชียลกันที่ร้านอนล็อกยุ่นนะครับสำหรับเมนูที่อยากจะแนะนำก็คือ ออขนมปังไข่ดาวหมูแฮมเบคอนไส้กรอกกุนเชียงทอดหรือว่าขนมปังชุบไข่นะครับออโดยเฉพาะขนมปังของร้านนี้มีความนุ่มมีความโโหละมุน ล, ลิ้นมากๆเรียกว่าใครที่ชอบทานอาหารเช้าชอบทานขนมปังถ้าได้มาทาน อ, อลล็อกหยุ่นสักครั้งเนี่ยจะต้องติดใจแล้วลืมเจ้าอื่นลืมร้านอื่นๆไปเลยทีเดียวนะครับครัก็อ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือสังขยาสังขยาที่เนี่ย เป็นพระเอกของร้านเมนูหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นสังขย า, าที่มีความหอมหวานกำลังดีไม่เหม็นคาวเหมือนเหมือนสังขยาเจ้าอื่นๆนะครับทานกับขนมปังนุ่มๆร้อนๆโหฟินกันแน่นอนครับครับก็จากร้านออลล็อกยุ่นขยับไปนิดนึงถ้าคุณอยากมาไหว้พระขอพรก็จะต้องไปที่วัดสุทัศ เทพวรารามราชาวรมหาวิหารนะครับหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าวัดสุทัศน์ย่านถนนบำรุงเมืองนั่นเองนะครับเพราะว่ า, าวัดนี้เป็นวัดที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรมหาวิหารที่มีอยู่เพียงไม่กี่วัดในประเทศไทยนะครับที่นี่มีความสําคัญก็คือภายในวัด เป็นที่ปฏิสถานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ น, นันะมหิดลพระอัฏฐปรามาธิบดีและได้ เ, เชิญพระบรมราชาสรีรางคารของพระองค์มาปฏิสถานไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าคุณมีโอกาสมาแถวแถวนี้ลองเข้าไปสักการะไปไหว้ไปขอพร แล้วชีวิตจะได้พบกับสิ่งดีๆนะฮะครับอ๋อที่สุดท้ายที่ควรจะปักหมุดก็คือเออสาชิงชา้าตรงนี้นะฮะเสาชิงช้าเนี่ยหลายๆคนมาถึงก็จะต้องถ่ายรูป Check เช็คอิ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นที่เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งเหมือนกันสําหรับย่านนี้นะครับเสาชิงช้าของที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโลชิงชา้าซึ่งเป็นประเพณีสําคัญทางศาสนาในสมัย โบราณนะครับปัจจุบันนี้เสาชิงช้า ย, ยังมีความงดงามในตัวเองแล้วก็ศิลปรกรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเสาชิงช้าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติเมื่อปี 2,492 หลายๆคนที่มาถึงย่านนี้อย่าพลาดนะครับที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินกันตรงจุดนี้ครับ เ, เราเที่ยวกินช็อปกันแถวย่านพระพาชัยไปจนถึงย่านบุญภาพิรมเสาชิงช้าเรียบร้อยแล้วผมจะพาขยับไปที่1 ที่มีความสําคัญสําหรับนักช็อปนักชิมคนที่ชอบอาหารไทยขนมไทยไม่แพ้กันนั่นก็คือตลาดนังเลิงตลาดนางเลิงเนี่ยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนถนนคนครสวรรค์แขวงวัดสมมนัฑนะครับ เ, เป็นตลาดบทเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยที่มีอายุยาวนานกว่าร้อ100ปีสังเกตไหมครับว่าร้านแต่ละร้านหรือว่าสถานที่แต่ละแห่ง ท, ที่ผมได้พูดถึงเนี่ยมีอายุยาวนานถึงร้อปีกันแทบทางนั้นนั่นหมายความว่า แต่ละที่ก็จะมีดีแต่ละที่ก็มีจุดเด่นของตัวเองที่ทําให้ดึงดูดนะักท่องเที่ยวหรือว่าดึงดูดให้คนรุ่นหลังได้ไปเยือนได้ไปช็อปได้ไปชิมกันอย่างทุกวันนี้นะครับตลาดนังเลิงก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับ เ, เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ย9เก้ามีนาคมพศ2443โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5ท่าน ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดด้วยพระองค์เองนะครับแต่เดิมเนี่ยเรียกกันว่าบ้านสนามควายก่อนที่จะมีการเรียกกันว่ า, อ, าอีเล้งตามชื่อของตุ่มชนิดหนึ่งของชาวมอญ น, นะฮนะจนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นชื่อตลาดนางเลิงอีกครั้งในยุค ข, ของจอมพลปปิบุญสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในตลาดนางเลิงเนี่ยถ้าคนที่ชอบ เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องราวของประวัติศาสตร์ทางวงการบันเทิงเนี่ยก็จะรู้ดีว่าตลาดหนังเลิฟเนี่ยมีสถานที่สําคัญซ่อนตัว น, นั้นก็คือโรงภาพยนตร์เฉลิมธา น, นีโรงหนังที่มีความเก่าแก่มีอายุ80กว่าปีกับ100ปีแล้วอันนี้สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่6เป็นโรงหนังที่ฉายทั้งภาพยนตร์ไทยจีนอินเดียฝรั่งแล้วก็ได้รับความนมิยมอย่งมากนะครับด้วยตัวของโรงหนังเนี่ยใหญ่โตโหลาร มีมีที่นั่งสองชั้นนะครับแล้วก็ทำด้วยไม้มีความงดงามมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากในสมัยหนึ่งจากที่สมัยสมัยก่อนเนี่ยเคยมีคนดู 400-500 คนเต็มทุกทุกรอบนะครับตอนหลังๆมาเนี่ยความนิยมของโรงหนัง s t ต n d a l o n e ลดลงก็ โรงหนังเฉลิมธา น, เานีเนี่ยมีคนดูเพียงรอบแล้วไม่ถึง10คนก็เลยเลิกฉายไปในปี25งพันนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรุงใหม่ซึ่งได้ยินว่าอาจจะเปิดมาให้บริการอีกครั้งแต่ว่าในรูปแบบไหนเนี่ยยังไม่เป็นการสรุปนะครับแต่ว่าเราก็แอบลุ้นว่าอยากให้กลับมาฉายหนังอีกครั้งนึงนะครับถ้าเป็นไปได้ครับนอกจากโรงหนังแล้วสิ่งสําคัญที่เรียก ความนิยมจากคนทั่วๆไปให้มาถึงตลาดหนังเลิงนั่นก็คือร้านขนมและร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในตลาดหนังเลิงนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมจะมีร้านมาแนะนําสักประมาณ10บร้าน10กว่าร้านนะฮะก็คือเริ่มจากขนมไทยแม่สมจิตเป็นร้านขนมไทยเก่าแก่ ท, ที่ที่มีขนมให้เลือกมากมายนะครับเออแล้วก็ทางร้านเนี่ยจะทําขนมทยอยออกมาเรื่อยๆตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วกเออ็เมนูที่มีความ Ho ตมีความโอ้โ oh, หได้รับความนิยมอย่างมากก็คือกล้วยเชื่อมแล้วก็ข้าวต้มมัดนะฮะแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาจะทําเฉพาะบางวันเท่านั้นเองไอ้สองเมนูเนี่ยไม่ได้มีทุกวันนะครับถ้าใครโชคดีไปแล้วได้ทานก็ถือว่าอืคุณโชคดีจริงๆครับแต่ว่านอกจากกล้วยเชื่อมแล้วก็ข้าวต้มมัดแล้วเนี่ยเมนูอื่นที่อยากแนะนําให้ทานก็คือเป็นขนมถั่วแบบไส้หวานและไส้เค็ม ไส่กุ้งขนมต้มมันเชื่อมอะไรพวกนี้นะฮะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบของหวานรับรองว่ามาร้านขนมไทยแม่สมจิตไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครับร้านต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นร้านประจําของผมตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือร้านนันทาขนมไทยเป็นร้านที่คนรักขนมเนี่ยจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าร้านนี้นอกจากความอร่อยแล้วเอกลักษณ์ของทางร้านก็คือขนมทุกอย่างจะใส่ในถ้วยแล้วก็มีใบตองเล็กๆ เพราะฉะนั้นขนมที่อยู่ในใบตองเนี่ยก็จะมีกลิ่นของความหอมหวานกลิ่นหอมใบตองแล้วก็รสชาติเขาไม่ได้หวานมากน ะ, ะหวานกำลังดีขนมก็มีเยอะมากมายเหมือนกันนะฮะเมนูที่ผมชอบเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหน้ากุ้งตะโกหรือว่าขนมกล้วยขนมเปี๊ยะขนมอื่นๆอีกมากมายเคยทานมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่ ง, งปัจจุบันเนี่ยก็ ร้านนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเมนูมากมายให้เลือกทานนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยโตกนึงชิ้นหนึ่งไม่กี่บาทเท่านั้นเองแนละ้วถ้าเทียบความอร่อยแล้วเนี่ยโหคุ้มค่ามากๆครับครับถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านขนมจีบซตลาวชื่อว่าร้านอร่อย ร้านร้านเนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญมี2สาขาก็คือมีร้านเล็กๆขายในตลาดนังเลิงส่วนสาขาใหญ่จะอยู่ที่ถนนพเนียงซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากตลาดนังเลิงเท่าไหร่นะฮะส่วนซาลาเปาที่ได้รับความนิยมก็เป็นสีไส้ของเขาเลยนะคะมีทั้งไส้หมูสับไส้ไข่เค็มหมูแดงเห็ดหอมไส้เผือกงาดำ มีทุกอย่างตกสนอราคาลูกละประมาณ10กว่าบาทราวๆสิบแบาทย0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ขนมจีบเนี่ยก็มีความแน่นมีความโอ้สดมีความหวานของเนื้อหมูเนื้อกุ้งนะฮะถ้าใครที่ชอบทานติมตามชอบทานขนมจีบก็อยากให้ลองแวะมาที่ร้านอร่อยขนมจีบซาลาเปาดูนะฮะครับ ส่วนร้านต่อมาที่รับคานนิยมในตลาดนันเลงเช่นกันก็คือร้านสาคูไสหมูแม่สี่ิิงร้านนี้ถ้าเป็นคนที่ชอบออทานสาคูชอบทานของว่างเนี่ย จะต้องตรงดิ่งมาร้านนี้ก่อนนะครับทันทีที่มาถึงตลาดดังเลินเพราะว่านอกจากเขาจะมีสาคูไส้หมูสูตรต้นตำล้ำแล้วยังมีสาคูไสปลาไส้กุ้งอันนี้หาทานยากนะครับไส้กุ้งจุดเด่นของร้านเนี่ยก็คือแป้งสาคูเขาจะบางแต่มีความเหนียวมีความหนึบกําลังพอดีแล้วก็ขนาดเล็กพอดีคําเคีเ้ยวเนี่ยเพลินเลยฮะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวนะครับนอกจากสาคูแล้วแน่นอนว่าร้านสาคูเขาต้องขายข้าวเกี๊ยว ปักหม้อเช่นกันนะฮะซึ่งเข้าเกรียบปากหม้อของที่เนี่ยหมดเร็วมากต้องรีบมานะครับถ้าใครอยากจะลองชิมราคาเนียกล่องเล็กกี่สบาทเนี่ยแม่งกล่องกลาง100บาทแล้วก็กล่องใหญ่200บาทก็ตามไซส์ตามขนาดนะครับก็ทานคู่กับผักกาดหอมพิคี้หนูเนี่ยโอ้อร่อยมากๆครับ อ่อนแล้วก็ยังมีเข้าตังหน้าตังแล้วก็เข้าตังเมี่ยงลาวด้วยนะครับถ้าใครที่บ่นว่าหาทานยากจริงๆเข้าตังพวกนี้มาที่ร้านสาคูไสหมูมแมสไอ้งมีให้คุณได้ช้อปได้ชิมพร้อมเลยครับครับร้านต่อไปเนี่ยเป็นร้านไส้กรอกปลาแหนมนะครับ หลายหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับไส้กอรอกปลาแหนมเท่าไหร่นักเพราะว่าเป็นอาหารโบราณที่หาทานยากนะครับแต่ว่าร้านไส้กอรอกปลาแหนมในตลาดนางเลงเนี่ยเขามีการการันตีจากป้าดูได้จากป้ายเชิญชวนชิมที่ที่ได้รับนะครับนั่นหมายความว่าความอร่อยต้องติดติดอันดับแล้วก็เป็นที่พูดถึงจริงๆร้านเนี้ยเปิดมา30กว่าปีแ ล, แล้วแล้วก็มีลูกค้าที่มาทานหลายๆคน ทานปุ๊บติดใจต้องซื้อกลับบ้านกันทานทุกคนน ะ, นะฮะไส้กอกปลาแหนมเนี่ยเป็นอาหารโบราณที่คือเหมือนมีความเป็นเหมือนเมี่ยงเมี่ยง น, นิดนิดแต่นะฮะคือเวลาเราจะทานเราต้องหั่นไส้กรอกปลาแหนมห่อด้วยใบยชะพลูแล้วก็มีเครื่องเคียงบินกระเทียมถั่วลิสงสอยพริกขี้หนูทานด้วยกันเนี่ยรสชาติก็จะออก หวานมันแล้วก็เปรี้ยวแล้วมีความเผ็ดนิดๆแต่ว่าทุกรสชาติเนี่ยเข้ากันได้ดีนะฮะที่นี่เขาขายเป็นชุดนะไส้กอกปลาแหนมจุดละหาสิบบาทเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากซื้อแค่ใช้กรอกแห่งเดียวก็มีแบ่งขายพิ้งกิโลกิโลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหอร์โมนที่ทําใหม่ๆสดๆร้อนๆมาวางขายคู่กันด้วยนะครับร้านเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่11บเอ็โมงเป็นจังหวะของจะหมดนะครับร้านต่อมาเป็นร้านสรุง่งโรจน์ ถ้าเราจะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตํานานก็จะต้องมีชื่อร้านนี้อยู่ในทำเนียบด้วยนะครับเพราะว่าเขาเปิดมาตนปีพศส 2, 6, องพันห้ารอยหโดยเริ่มแรกเนี่ยเปิดเป็นร้านเป็ดพะโล้แล้วก็ขยับเมนูขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีอาหารจีนมากกว่าร้อยเมนูให้ทุกคนได้เลือกทานนะครับร้านต่อมาเป็นบะหมี่เป็นร้านบะหมี่นะครับเป็นชื่อบะหมี่รุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวนางเลืง้งร้านนี้ก็มีอายุ60กว่าปีแล้วมีสารพัดเมนู มีทั้งเกี๊ยวปูหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างเป็ดตุนบะหมี่หน้าไก่บะหมี่ขาหมูถ้าใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแวะมาร้านนี้เลยครับออนอกจากนั้นก็มีร้านข้าวแช่เพชรบุรีมีร้านเกี๊ยวซาตลาดนางเลิงสุวิมลก๋วยเตี๋ยวแค่แต่ที่ผมชอบมากมก็คือร้านข้าวแกงรัตนานะครับจะอยู่ตรงหัวมุมในตลาดนางเลิงถามใครก็รู้จักนะฮะที่นี่เขามีอาหารมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็น เ, เข้าวผัดกระเพราหรือว่าข้าวแกงต่างๆแต่ว่าที่เด็ดที่สุดเนี่ยผมชอบ ต้มเข็มปลาซาบะอันนี้อร่อยมากนะครับรสชาติกลมกลมก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาชิมมาช็อปอาหารไทยก็ขอแนะนําตลาดหนังเล้งนะครับออลองไปสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะติดใจครับวันนี้สําหรับรายการเรื่องเกา่าวที่เรารักก็หมดเวลาลงแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้าเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งทางสถานีวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี เวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งนับตั้งแต่เสาร์วันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจตุ้ยตุ้ยตินตินและ IG ตุ้ยตุ้ยตินตินไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงํำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก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 M U T T Radio